เทศแนวปฏิบัติให้ฟังคือเทศแล้วแล้วเราเราหลายครังหลายผลเหมือนกันนั่นแหะที่เทศนแนยปฏิบัติถ้าไม่รู้จักแนวไม่รู้จักรูปทางปฏิบัติให้วก็ลืมหลงตัวลืมตัวไม่ทราบว่าต้องไหนเป็นอะไรแต่ไม่ใช่ปฏิญาณ ในการปฏิบัติที่เรียกว่าของเก่าเทศของเก่าได้ไหนต่ไรมาช่องทางตัวปีและท่านกัเทศโมนี้แหละเรื่องนี้แหละไม่ใชในทางปฏิบัติว่าทั้งเรื่องจิตว่าทังเรื่องใจว่าทั้งเรื่องความสงบว่าทเรื่องอารมณ์ พูดไปรูแล้วลอดทั้งชเทศของเก่าถึงพรุเดชสิริพระโหน่งพาน้นก็สสำเ ร, เร็จการลอยนะน่ะให้จัตเตี๋ยนะน่ะเป็นรักฐานอา น, นิจจังทุกขัง น, นาตาเป็นพืนและปุดธเจ้าเนเทศณ์นายสาวกทั้งหลายปัดก่อนที่จะ านาไปเที่ยวอเิเบสที่ว่าพืชแท้ถึงที่สุดแห่งประหลคือวายนั้นถึงที่สุดได้ว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดศาสนานี้มีที่สุดเป็นคืออง น, นิจังทุกพันธสัตวานที่สุดกว่ามันยุทธประเทศของเจ้า พระพุทธเจ้าประเทศของเก่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขได้นสมเด็จมรรคผิพานับพระองค์ก็ของเก่านะยองไหนมาตัรทะลุตัดทะลของเก่าแล้วั้งอะายกันมันจะทะลของเก่านะเนี่ยมรรคนิพานเของเก่าเปลี่ยนองค์เป็นพระสัมาสัพุทธเจ้าเปลี่ยนองค์ ทั้งเปลี่ยนแล้อเก่าคือท่าสิสีน้ำผสมของเกา่าเองที่มันเป็นผู้ดเีเจ้าแต่ท่าสีสิน้ำผสมของเกา่านั่นแหละทำทั้งหลายเช่นว่าเป็นของเกา่าเทสัตโมสังนันตติโลกทำในของเกา่าแต้ไม่ได้แดงมาเทศนาเรื่เรื่องแนวปฏิบัติของเกา่า การปฏิบัติใครไปปฏิบัติที่ไหนที่ไห น, นก็าถืจะปฏิบัติโดยอุบายใดก็เอาก็ได้เหมือนกันยุบหนอพ้องหนอ่อเรื่อสมารหันหรือพุโทโธนาปาทติได้มกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทิศแตกเื่อหมายความจรง รวมสติให้มันตั้งอยู่ในจุดเดียวถ้าหารวมสติไม่ได้ไม่เป็นติวมัวจะไปหาเลือกกับมวัน น, นันถูกนิสัยนี้ไม่ถูกนิสัยอะไรต่างเลยตละดลเปืดอยงไปใหญ่เลือดงลงอันเดียวกัน สติตั้งมันง่นหนึ่งเดียวเนี่ยกำหนดจิตูดรูู้คิดพูนึกอันเดียวเนี่ยลงปัจจุบันอเดียวเมื่อลงถึงปัจจุบันแล้วมันก็หมดมันจะมีสงสยัยอะไรความตายก็ลงในที่นั้นานาเติอลาปัสติลงในทีน่นะ กายก็ตาจติแลวไม่หรือนะ น, น, นั้นเดียวผูว้าอยอันใดซึ่งท่านเทศนาสอนไว้เราเอามาใช้แต่ว่าผู้จะใช้ถูกคือมีเนี่ยขาดในตัวผูว้ายนั้น เป็นของสอนกันได้พูดกันได้ไอ้เงียบใครไม่มีใครสอนได้ทั้งคนนี้เงียบใครคือตัวปัญญาเงียบใคยนะเรียกว่ามันมีนเงียบยใครคือไหน น, นะเนี่ยอย่างพิจารณาณ า, า, าปารติตาดิพิจารณา อันพิจารณาลมหายใจก็ออกคนมีอูปปาคนมีแต่อุบายไม่เงียบขายพอพิจารณาจะลมหายใจก็ออกแต่ผู้มีเงียบขายนั้นไ่าได้ลมหายใจทําไมจะดาวพิจารณาลมหายใจพิจารณาทําไมครับใครเป็นคนหายใจใรลยเป็นคนพิจารณา มันจะต้องพิจารณาเงียบมันจก็เกิดเงียบคลายขึ้นมาในตัวเงีเยบคลายเกิดขึ้นมาแล้วมันจะปรากฏชัดขึ้นมาในใจยิ่งสวยางามอุปาณิชย์ปรากฏชัดขึ้นมาแล้วเกิดความสว่างแจ่มจ้งมันมีการสงสัยในเรื เป็นประจัตตามเป็นอย่างครบต้วนดีนน้ใเงียยครับแล้วปฏิบัติมาน้าเรื่องอะไรประการที่อุบายที่เราปฏิบัติมามันไม่ลงถึงเงียบภายสักทีมันยังค่อยเป็นนอย่างนั้น แล้วครับเมื่อลมเงียบหายยังมีอีกเงียบหายอีกเมื่อลมถึงสมาที่คือจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งเป็นเอกสัตตาก็อยู่ที่เพียงแค่นั้นมันต้องมีเงียบหายอีกคิดค้นเข้าไปถึงจิตอีกแเข้าคิดเข้ารับถึงใจอีกของเป็นกลางกลางแยกหัวใจ เรื่องของกลางเป็นาแล้วมันไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอยะไรนั่นมันจะมีเรื่องอะไนี่ยเพเพียงรู้สึกมันจะมีเรื่องอะไรเรื่องอารมณ์ความงดมันก็หายหมดทั้งทีนี่จะความรู้สึกที่เฉยเฉยมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมด อัน น, นนะเข้าถึงใจความที่ข้าถึงใจที่เฉยยังไงเกิดลําคาดบางคนก็เกิดลํ า, าคดาดอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ความเข้าใจเ อ, เอทั้งว่าสมาธิปัญญาเกิดจากสมาธิมันเป็นสมาธิาทำไมยังไม่เกิดปัญญาโน่นะ อย่างได้ปัญญามันคิดนึกแล้อะไรมันอยากได้ล่ะหรือเสื่อมครับสมาธิเองเคยเสื่มันเฉยเฉยมันได้เงียเฉยมีความรู้สึกจำเป็นคิดนึกอันนั้นเป็นอาการที่เห็นนั่นนหละเรียกว่าปัญญาแล้วล่ะเห็นตัวใจแล้ ว, ลวนั้นเรียกว่าปัญญาล่ะหาที่ไหนได้ ปัญญาเห็นใจเนะี่ยในที่ว่าเป็นของคอนเซอร์เตอร์นะคนธรรมดามันก็เห็นใจพูดถึงเรื่องใจจะไม่เห็นใจสักทีใจกระซับกระตายใจเยือดร้อนดินรนใจกระวนกระวายใจเศร้าใจสุขรู้ว่าน่าจะพูดถึงเรื่องใจเป็นคนที่จะเห็นใจในใจของไม่ม เมื่อเห็นใจแล้วทำไมจะไปหาอะไรอีกล่อะอะไรทั้งวดมันเกิดจากใจนั่นแหะมันจะมีความคิดความนึกมันจะมีความรู้สึกกรับกระสายมันจะรู้มันจะมีสัญญาอารมณ์ทั้งหมดมันเกิดจากความเฉยเฉยนั่นแหละมันมีความเฉยเฉยมันยังค่อย มีความอุ่นหวายนังนก็เกิดเกิดกระตักกระ่ายถ้ามีความเยวยมันก็ไม่มีเรื่องอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดเกิดจากสมาธิไม่ใช่ปัญญาปรัจนาแต่ปัญญารัฒนานี้อีกต่างหาก ปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดดีปัญญาปัจนาเกิดดีน้อยจะแต่งเอาไม่ได้ไต้องเกิดเองเป็นเองปัญญาที่แต่งเอาเรียกว่าสังขารเรียกว่าสัญญานั่นได้จริงอ่ะ จเจรินชานสมาธิสมาปติชั่นนั้นภูมเนี่ยไรต่างเยอยแะแยะไปถึงชั้นผมชั้นอุปพมมันอะไรต่างไปเยอะในคนที่ เ, กเยกลับตัวมาของเก่ากิเลสตั้งหามานาทิพยเท่าไรมันก็ยังเหนื่อยเท่าเก่าทุกเนี่ยม่เหมือนปัญญาทัษาเกิดขึ้นอีก ปัญญาปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นเองนะมันชัดเจนแจ่มชัทุกถิงทุอเห็นเกิดขึ้นมาเองเห็นตนของตนเห็นจิตของเจ้าของเห็นจิตของตนเองเห็นใจของนเองเห็นหนังจิตเห็นนังใจใจขู้ตงกลางก็เห็นจิตพวมันคิดมันนึกก็ เ, เห็นพมันคิดมันนึก คิดดีคิดชัวอวหยาดกะเอียดแลมันก็เห็นอยู่คิดอยาคิดเร็วสาคิดเป็นผูสว่วนมันสุดละคือท่านเห็นใช่มันก็ต้องละก็ต้องกาป็นหยาละนั่นแล้วสิ่งที่เป็นผูส่วนรางยมาระวังรักษาไว้ เงี้ยหัดอยยางนันนานนะเราไปเชื่อมลงเชื่อมจิดไปค่อยสงบพู้คิดผู้นั้นไนค่อยสงบลงไปเมื่อสงบลงไปก็จะรวมไปเป็นใจอีกคือนิ่งเฉยอยู่มีผม ร, รู้ตัวอยู่แต่ว่ามันไม่ส่งสายเข้ามาเป็นใจ สติก็ไปรวมเป็นใจคิดก็ไปรวมเป็นใจเดี๋ยวมดสิด่งใดใดกว้ามดมารวมในจินั้นมดหักแก่กราจนชนนี้ชห น, นหนาสิ่งตา่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดจะมารวมมาที่นั้นเห็นในทีตนั้นสนุก ชำน า, น, น, นาจการหานกันในทีนั้นเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องตำวจของภายนอกไม่เห็นตรงนั้นเลยหมดเลยที่อาชำนาญชักฐานของภายนอกอูจะมีงงวันใม้งงวันชสีนสุดเอการที่สมัยท่านบอกว่าตัดสรู้ในขณะจิตเดียว ทำไมยิงนนยมย่งแต่รู้ในขนาทีเดียวแต่มายังรู้ในขณะที่เดียวทำไมยังจะไปแตะขางมันไปเห็นตัวต้ น, อ น, นตอ ม, มันแต่ขุดเงาขุดโคดมาขึ้นมันจะเลิกหมดทันทีเพือน้ำเจ้าเรางดูดิมันปุมเคลืออยุดมากมายไปเห็นวหน้าลา่าถึงเงาอ คุดแลกเรานุณก็หมดเรื่องอะไรยจะไปตามรู้ตามเห็นไรได้ผ่า น, นออกมันไม่ชัดในจริงหรอกจะเที่ยวตามรู้ตามเห็นทว่าทั้งโลกมันจะไม่เห็นได้ไย่างง่ายพูดยาวเลยตามางมาอายุก็ไม่นอนนาน พรเพียงแปดสิบปีเท่านั้นพรก็เลยไปเที่ยวไหนเที่ยวในบัรทิปประเทศ1ิบุตะบุน6ิบเมืองนั่นขเมืองนระาวพากวาขมืงนั้นที่ไปรู้แจ้งโลกอย่างไรโลกทั้งสามไปรู้แจ้งไงถ้าไม่เห็นต้นตอมันรู้แจ้งไม่ได้ อาเมลูกเปรูปโลกเกิดจากนั้นนี่เกิดจากไหนจากต้นตอมานล้มันออกไปจากนั้นว่าสายกาเมลูกมันก็ออกไปอย่างนั้นสายลูกเปรุ่โลกก็ออกไปอย่างนั้นสายลูกเปรุ่โลกออกไปอย่นั้นเห็นจุดรวมมาแล้วฉนุกอยู่ในที่เดียมสนุกพิจารณา เทือนอิบอุตตะรตลา เ, าเามือนกิบแย่ yeah, ที่อยู่หลังล่างัตอนนี้เขาเป็นดักที่ปากรูนีมันอ อ, น อ, อกมาไปดักาตรงนั้นเลยจับอตรงนั้นเลยลองไปวิง่งหนึ่งรูไม่ได้ไมไ่ไม่ทันนันหรอกนี่มันเร็วกว่าแล้จ้า ต้ปากรู้นั่นออกมาจับพอมเลยมันจะไปไหนเรื่องกามโกืโลกลูกโลกเป็นเช่นเดียวมันจับตรงใจนั่นแหะมันคิดปรุงคิดแต่งไปในการมืองโลกคิดแตบบ่กับลูกกับตาคิดกับบ้านกับเพือนคิดกับสมัธิศสาสนาครอบของทั้งความมด มันออกไปจากนั่นนะคุณน่ะนะนนลงปัจจุบันเข้าถึงความกลางเอาความเอาความกลานะเป็นเป็นหลักเมื่อหายวันความกันะรูปป็นาลูปโลกรูปประทัมอสุ ภ, ภาพปฏิกูลอันใดนการเกิด ปฏิภาสปฏิพูนปฏิภาสในมิตรต่างๆนั่นในรูปประรยคมันเอาไปยานั่นๆตัว น, นั้นหรือตัวแต้มมันเกิดขึ้นนอกประโยคตัวนั้นๆอ ย, ย่าไปยึดอย่าไปหลงกลางตรวกลาน่ะมันก็สงบลงไปรูปประโรปไปเช่นเดียวกันจิตที่ไป็ละเอียด นึกส่งไปตามต้องละเอียดนั่นมันมีพีสิ้นที่สุดกําหนดรวมที่ใจเอที่เดียวทันที่เดียวรูงอยู่ที่เดียวนัน่นไม่ต้องไปลุกไปตามไม่ต้องส่งไปตามมาันกำหนดเรื่องในผลที่สุดจะเกียรอะไรก็ตามเถอดขอให้อยู่กับพนันเทียบคน ได้อะไรก็เอาเธอะอให้อยู่เท่า น, นี้ก่อนยินดีกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่จะได้ขันไหนก็เอานั่นน่ะเป็นทรัพย์ันประเสริพอใจยันดีทรับเป็นของหนีมากเข า, าไม่จ่ายเป็นของหนีมากอย่างเขาหาเงินกันอยู่ตามโลกกั่นเอง ได้เท่าไดเทําไหรพอมีแต่ะหาเรืยคนนั้นเ น, นี่ยคนจนไม่เช่คนมีจนหาอยู่ทุกพี่ทุกวันหาอยู่เล่แล้วไัหลอดนะครับที่จนเหลือเกินคนนั้นจนยิ่งกว่าคนไม่มีเงินนะครับที่คนที่ไม่มีถ้าหากว่ายินดีเท่าที่ตนมีอยู่พอใจเท่าที่ตนมีอยู่ หายเช้ากินข้ามเราเอาเถอพอใจยินดีนะของพอ ใ, ใจพวกของไม่อยู่หนะึ่งกลายเป็นของดีขึ้นมายิ่งธรรมะแล้วของละเอียดมากยินดีก็บธรรมะทุกส่วนที่ตนเป็นอยู่มีอยู่นะ นั่นยจะค่อยเจริญม้องานนั่นยจะค่อยพอคุณมากงูจนโดยดังดับมีอะไรก็ขอให้ยินดีพอใจใหอยัางมาเกียนถ้ยาวรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่พอใจ อยากจะให้ได้งิ่งขึ้นไปอย่างที่เราอะไรอย่างที่ว่าครัเบืนน้องต้นได้สมาธิสงบแล้วแต่นี้จะเกิดปัญญาหนุนต่อไปลงดโดยเสื่อมทำสมาธิเป็นอย่างไร ม, มันพอไมอยากเกิดปัญญาแล้วสมาธิเลยเสื่อมเชื่อมก็เอาเอาคืนไม่ได้คราวนี้การที่ชา น, นิ่งชํนนานาเค่องเท่า ตลอดเวลาเราถามันจะจีนยังไงแต่มันจินที่มันอยู่อยู่แล้วก็มันอยู่ไตลอดเมื่อมันช่ำนี้ชํานั้นมันเสื่อมหมดท่านี้แล้วก็ต้องกลับเจริญได้ท่านี้ฮัตที่เจริญน้ำคล้องแค่วันตลอดเวลาเนินดีพอใจ ก็มีอยู่นะั้นตอนนี้จะเจริญถึงแม้ไม่เจริญก็เพียงแค่นั้นก็ยังดีกว่าบางที่มันจะเสื่อมเสียไม่ใช่ของทําง่ายๆเกิดมาไม่นับพบรสชาติาเลยส่วนรสชาตินี้แค่นี้นีดีกว่าแล้วนี่ดีกว่าที่เราไม่ทําเลยที่เราได้ในกระไดที่เราเป็นทุน เกิดขึ้นมาได้นิดนิดหน่อยก็ได้ชื่วเป็นคุณไม่ขาดคุนเกิดขึ้นมากสร้างสมองเฉลี่ยวุ่นวิ่งกันไรแล้วไปทุกอย่างสร้างสมองต่สร้างสมองทักผมกไปเลกมองเห็นมองไม่เห็นตัวเลี่ยทางสร้างสมอเสียชาที่เกิด เป็นคนสมบูรณ์บริบูรแล้วทุกสิ่งพิกการมีพุทธตาพลังเป็นเครื่องยึดมั่นตัว่ที่จะได้รับผลประโยชน์ตามทุงปวดเกดอัตาตาคงตุนแต่กลับเสื่อมสูญเสียหมดเรื่องกำหนดหนาตาสตินี่แหละเป็นหลัก กิจนานความตายความตายเมื่อตายแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรอาวรนีเรียกว่าความตายเข้าของเงินทองทรัพย์ทุกอย่างแม้ชีวิต ร, ร่างกายเนี่ยมันจะท้อทิง้งไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืดยอะไร นั่นอะเชงว่าพิจารณาคนตายพิจารณาคนตายถ้าไม่ลงกับมดตาเราไม่ตาจะเอาอะไรอีกทุกคนมันต้องตายแล้ยวกันทั้งนั้นเป็นอดีตตายก่อนตายหลังตายคนละทานกัน นาทีที่ตายเพ้าะรถขับผิดอย่างเช่นเครื่องบินตกในตายเองมันเรามาปฏิบัติโดยเฉพาะคือพวกนักปฏิบัติท่าเน้นให้ขาไม่ชียงเนะี่ยมาไล้มาปฏิบัติไม่ใช่มาอื่นไกลหลังจะกปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วจะไปเพี้ยนแล้วจะไปวุ่นวายอะไรอีกนอกจากการปฏิบัติ เมื่อปัจจุบันเร่งพิจารณาความตายในลงเฉพาะปัจจุบันมันก็หมดเรื่องกันจะมีอะไรต่อไปอีกความประมาทของคนเราโดยลืมตัวว่าเราจะไม่ตายเรามีสุบภาพนามหยดีมี ชีอยู่นานมีดยื้อข้นเถ่อนเลยไปเจ็เกิดความประมาทความประมาทคือคือไม่มีสตินี่งสติปัฏฐานสี่ตายานพัฒนาสติปัฏฐานเลทนาพัฒนาสติปัฏฐานจิตตาธรรมานพัฒนาสติปัฏฐานท่านพูดถึงสี่อย่าง เมื่อพิจารณากายคือความตายไปถ้ามันลงถึงสติปัฏฐานอันเดียวแล้วหมดเรื่องทั้งสามอย่างทั้งสามอย่ยงสติปัฏฐานอันสามมันลงอันเดียวเลยหมดเรื่องแไม่ใช่ว่าจะไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะรวมกมาอย่างนั้นได้ได้ไม่ใช่อันเดียวมันรวมมันมันรวมได้แล้วก็ หมดเรื่องเลยของทั้งหมดเป็นอันเดียวหมดเลยทั้งหลายมีอันเดียวไม่ใช่หลายอย่างเอาในถ้ามันรวมลงได้กับ น, นั่นแหละได้ที่วัดถูกแล้วตามคำคำทคคุกอย่างพิจารณาความตางไม่มีอะไรเกี่ยวขัองหมดทุกอย่างเราปฏิบัติกรรมฐาน เราฝึกผัสมถทานโดยเฉพาะปฏิบัติอนาปานาสติได้ที่ ว, ว่าเข้าถูกทางมูลฐานละทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือมันมีอันหนึ่งผู้เหลืออยู่คือใจใจที่พูดที่อธิบาย่ังมุนจีน ความเฉยเฉยปล่อยวางไว้หมดยังเหลือแต่ความเฉยเฉยอนนั้นแหละคือใจทั้งสติรักษาตัวนั้นไปเมื่อรักษาสติเราให้อยูท่ที่ทุกข์ริยาปวดยืนเดินนั่งนอนอะไรทั้งคิดไหว้ด้วยอาการใจทั้งหมดจิตคิดจิตนึกสงใจและแต่งอรมณเคอยยตลอดเวลา ในเชื่อสติถ้าสติตั้งมันอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่าสามเดือนต้องเรียนรู้ไม่มากก็ต้องน้อยลองดูสิเอาสติตั้งมั่นอย่างนั้นเนี่ยคือเรื้องมากกว่าจริงทิ้งสามวันในสามเดือนเจ็ดวันต้องได้ความรู้ทุกวันเีย อย่างง่ายกว่ารู้ใจทุนอยากใ่้พิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งสติไว้อย่างเี็ดครับพิจารณาต่อ